ขอโอกาสหลวงพ่ อ, ขอเขียนครบาอาจารย์ทุกทูานแล้วก็ครับขอโอกาสจากเพื่อธรรมมทุกท่านจเจริญพรแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนควันนี้ก็เป็นเชา้าอีกวันหนึ่งในพรรษาปี2552ห้าอห้าสิบสองของพวกเราคราได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน อามา ก, ก็อยู่บ้างไม่ค่อยอยู่บ้างไปนั่นมานี่บ้างแต่ก็ถือว่าก็ไปในกิจที่เป็นกิจในการช่วยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่บ้างเป็นกิจช่วยเหลือชุมชนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจภายนอกเนาะแต่เราก็บางทีเราทํากิจภายนอกแล้วก็ยัง ่ะดืมกิจของตัวเราเองแล้วยังมีกิจที่จะต้องทาอยู่สองส่วนเป็นส่วนหลักๆคือกิจส่วนตัวของเรากิจส่วนตัวของเราคืออะไระตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะกิจส่วนตัวของเราคือการบำเพ็ญเพียรการภาวนาของตัวเราเองเนี่ยแม้เราจะทํากิจอย่างอื่นอย่างแม่ครัวแม่ชีอาจจะทํากิจในการทาอาหารหรือดูแล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 พร้อมที่จะอยู่กับพร้อมที่อยู่คนเดียวแล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับผู้คนพร้อม <im> ที่จะเจอกับโลกธรรมฝ่ายดีพร้อมที่จะเจอกับโลกธรรมฝ่ายรบนะพร้อมทุกอย่างนะนักปฏิบัติธรรมต้องพยายามวางใจตรงนี้ให้มันได้เลยนะวางใจว่าเราพร้อมที่จะเจอกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบก็ดีสิ่งที่เราไม่ชอบก็ดีเราต้องเตรียมใจที่จะพร้อม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 ก็ทั่วไปเก็จะคิดว่าตัวเองต้องมีชีวิตอยู่ไปข้างหน้าอีกนานแต่พอเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มมีอายุมากขึ้นนี้ก็เริ่มได้คิดแล้วว่าโอ้เราคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเนาะไม่รู้ว่าชาตินี้ก็หาเงินหาทองทํานั่นทํานี่มาเยอะแล้วสุดท้ายก็น่าจะเหลือสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้หาคือหาตัวเองนะกลับมาดูตัวเองไม่ค่อยได้หานะ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 ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะอยู่เพราะว่าเคยเกือบตายมาเหมือนกันตอนก่อนที่จะเกือบตายนี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกคุณค่าของชีวิตรู้สึกว่าชีวิตนี้มันคล้ายๆไงไม่ค่อยพอใจไม่ดูเขาให้เราเกิดมาทำไมทำไมเราต้องเกิดมาด้วยแต่พอเกิดมาแล้วมันเกือบจะตายมันค่อยเห็นคุณค่าของชีวิตพอเห็นคุณค่าของชีวิตมันก็ค่อยๆรู้ว่าชีวิตนี้มัน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 เราควรจะศึกษาสึงไหนถึงจะเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตของเราที่ได้เกินมาการที่เรามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะก็เป็นการที่มาศึกษาดูว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราควรจะเดินอย่างไรถึงจะมีประโยชน์ที่สุดเดินต่อไปยังไงถึงจะมีความสุขมากที่สุดเดินต่อไปยังไงถึงจะมีความทุกข์น้อยที่สุดถ้าเราตั้งเป้าหมายในการเดินทางของชีวิตนะเราไม่ต้องไปคานึงถึงอดีต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 หลาเส้นทางแต่ตอนนี้เราก็เข้าสู่ถนนมิตรภาพด้วยกันมิตรภาพที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบคล้ายๆเหมือนแม่น้ําหรือลาธารแต่ละสายก็ จ, จะมาจากหลายที่หลายทางแต่สุดท้ายแม่น้ําทุกสายก็ดงสู่ทะเลมหาสมุทรเหมือนกันทุกสายนะพวกเราก็เหมือนกันอยากให้ชีวิตของเรามีจุดหมายในการเข้าสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกัน วาเจิตสติจะช่วยพวกเราได้ตรงนี้แหละนะค่อยๆฝึกไปนะอย่าไปคาดหวังนักว่าเจอสติแล้วจะต้องรู้นั่นดูนี่ น, นนะวางวางสิ่งที่เราอยากจะรู้ให้ได้นะปฏิบัติใหม่ๆนี่มันจะมีความความอยากรู้เป็นตัวปิดกัน้นในการที่จะทําให้เรารูนะปฏิบัติใหม่ๆอยากจะรู้รูปรู้นามบ้างอยากจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดแม้แต่แค่คําว่ารู้สึกตัวมันเป็นยังไงนี่ ก็คิดหาคําตอบอยู่ตะวันนานนะปฏิบัติทําไปบางทีเขาจะคิดที่หลวงพ่อว่าเรารู้สึกว่ารู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะมักจะถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเรารู้สึกตัวจริงหรือเปล่านะมันจะมีคําถามพวกนี้อยู่ บ, บ่อยๆในใจเอเรารู้กตัวแบบที่หลวงพ่อว่าหรือเปล่านะไอ้ที่เราไปคิดเันนะั่นคือเราลงแล้วนะเราไปลงว่าเอ๊ะรู้สึกตัวเป็นแบบไหนนี่คือลงแล้วนะเออหรือบางทีก็ไปคิดรูปเป็นแบบไหนนอะนนาเป็นแบบไหนนอ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 ทอะไรก็ให้รู้สึกอันนั้นแหละพอแล้วถ้าเราแค่รู้สึกซื่อแบบนี้นะรู้สึกซื่อเฉยๆหลวนพ่อบอกให้รู้สึกเป็นทีลักษณะทีลักขณะทีลักษณะเดี๋ยวไอ้คําว่ารู้สึกตัวก็ดีรูปนามก็ดีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าใจเองนะเข้าใจจากพภาวัตคือจิตเข้าประมวลเองนะจิตเข้าประมวลความรู้ของเขาเองไม่ใช่รู้จากการคิดนะรู้จากการคิดนี่รู้กันได้เหมือนกัน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 มันต้องเข้าไปรู้ถึงใจที่มันเผอไปคิดนะรู้กายเป็นเบื้องต้นเพื่อที่ให้จิตมีสมาธิในการที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้คือถ้าเรามีรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวบางทีความเคยชินเก่าๆ ก, ก็จะโดนจิตลากพาไปาลากพาไปเที่ยวเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เที่ยวอดีตบ้างไปอนาคตบ้างถ้าเรามีหลักที่กายที่เคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วก็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 ตาชั่งที่มันมีน้ำหนักพอพอเหมือนตาชั่งสมัยเก่าเนาะพออีกข้างหนึ่งมันมันหนักมากถ้าสมมติสิ่งที่มาร่อให้เราหลงมันมีกำลังมีน้ำหนักมากนี่ตาชั่งของเรามันก็ลอยขึ้นนะสู้เข้าไม่ได้นะสติของเราก็สู้เข้าไม่ได้แต่ถ้าบางทีสติของเรามันเข้มแข็งมันแข็งแรงแม่กิเลสจะมีน้ำหนักมากแต่มันก็ดึงเราออกไปจากฐานไม่ได้นะ สติปัฏฐานหรือว่ากรรมฐานน่ะคือที่ตั้งของการกระทําเรามีที่ตั้งอยู่ที่ใดที่หนึง่งจะเป็นกายก็ดีเป็นใจก็ดีนั่นะคือมีที่ตั้งมีหลักแล้วไม่หลงไปแล้วนะไม่หลงไปสู่ที่ไหนเหมือนนมวงพ่อจะใช้คําว่ามีบังเกอร์นะมีที่บังไว้นะแต่จะมาคล้ายๆเปรียบเหมือนคล้ายๆเหมือนเวลาดูหนังนะเวลาเขายิงกันเขาจะหาที่บังนะหาที่บัง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 มันจะหลงไปคิดอีกแล้วก็กลับมารู้สึกตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยมันยิ่งสนุกนะมันไม่กลัวเลยมันไม่กลัวว่ามันจะหลงปล่อยให้มันหลงไปเลยนะี่ยไปหลงไปรักไปโลภไปโกรธไปหลงก็ปล่อยให้มันหลงไปแต่เรากลับมาได้การที่เรากลับมาได้เนะี่ยเป็นสติของจริงนะการที่เรากลับมาได้นี่เป็นการที่เรารู้สึกตัวมากขึ้นเป็นความเข้มแข็งของจิตแต่ถ้าใครคิดจะไปบังคับให้จิตนิ่งนิ่งเฉยเฉยไม่เคลื่อนไม่ไหวเนี่ยมันไม่เค มันไม่แข็งแรงนะไม่แข็งแรงสติไม่ไม่แข็งแร ง, ส ต, แ ง, แรงสติมันจะเหมือนคล้ายเหมือนคนที่ไม่ค่อยทำอะไรนะมันเจอแต่อารมณ์ซึ่งมันสบายอย่างเดียวมันเจอแต่อารมณ์ที่มันชอบอย่างเดียวมันก็อยู่เฉยๆสังเกตก็ได้นะถ้าเราไม่ทำการทำงานนะอยู่เฉยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเรี่ยวแรงของเราเนี่ยจะหมดลงไปเรื่อยๆนะอย่างเราบางคนนะอย่าง